บัตรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวอาธาิบายในคำขอกรรมฐานที่ว่าพระทรงยานผู้ชนะมานห้ามานทั้งห้าประการที่กล่าวมาแล้วนั้นคือสังเกตว่าอยู่ในกลุ่มของ สมุทัยสัตว์คือเป็นเหตุเกิดของความทุกข์ที่มีความต่อเนื่องกันไปจุดเริ่มต้นใหญ่ก็คงอยู่ที่กิเลสมานและกิเลสนั่นเองก็กระจายออกไปแสดงอาการออกมาโดยลักษณะต่างๆเมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่คนมีความคิดกระทำที่รุนแรง เป็นอุปสรรัดขวางคนอื่นบุคคลผู้นั้นก็เป็นเทวบุตตมารและการกระทำไปด้วยอำนาจของกิเลสเด็กเป็นเหตุสะสมสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้เพิ่มขึ้นไปในจิตของบุคคลเหล่า น, นั้นจิตที่ประกอบด้วยบาปอากุศลจึงกลายเป็นอภิสังขารม า, านคือมารคือสังขารที่เกิดขึ้นปรุงจิต จิต ท, ที่มากไปด้วยกิเลสเป็นได้มองสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจของความหลงเป็นต้นอาการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นโดยอำนาจของความโลภความหลงก็บังเกิดขึ้นอาการจิตในลักษณะนั้นก็กลายเป็นขันธมารคือความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลาย และชีวิตของบุคคลผู้นั้นเมื่อตายไปก็ชื่อว่าตายไปด้วยความประมาทก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุมาันแต่มัจจุมา น, นั้นที่จริงก็ทั่วไปแก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อเป็นกลุ่มของสมุทยใหญสัตว์ ้ก็กลายเป็นประหาตประธรรมคือธรรมะที่จะต้องลดละปัญเทาสงบระงับจะถึงดับไปในที่สุดแต่การจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสวจสอบดูถึงเหตุเกิดของกิเลสอาการของกิเลสและผลกระทบที่สืบเนื่องไาจากการกระทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสและมองแม้แต่เทพบุตตมาก็อดี อาิสังขารมานตลอดถึงมัจจุมานในแง่ที่เป็นภัยเป็นอันตรายถึงสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เรามองเห็นเป็นภัยเป็นอันตรายได้ในตอนต้นก็จะมีการหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นข้อปฏิบตัติในระดับที่เราเรียกว่าป้องกัน ซึ่งพรูเจ้าทรงใช้กับว่าสังวรประทานคือใช้ความเพียรพยายามในการป้องกันหรือสำรวมระวังเพราะการมองพวกมารทั้งหลายในแง่ขอ ง, ของความเป็นโทษจะนำความดีบัติเดือดร้อนมาสู่ตนและแม้แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนผลเหล่านั้นยังต่อเนื่องจนกลายเป็นสื่อพบสืบชาติอย่างที่ปรากฏในเรื่องราวของบุคคลทั้งหลาย ความหวาดกลัวความรังเกียจสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอาการของจิตที่เป็นเช่นนั้นพึงสังเกตว่าก็คืออาการของหิริความละอายต่อบาปอุตตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นเองเมื่อการของกิเลสปรากฏที่จิตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏภายในจิต ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีความเราร้อนรุนแรงหรือถูกแผดเผาในลักษณะนี้แต่พอกิเลสเกิดขึ้นแผดเผาเราก็สัมผัสกับความเราร้อนรุนแรงเหล่านั้นก็เพียรพยายามที่จะลดละสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและการเหล่านี้ถ้าเรามองไปที่ภายนอกก็จะเห็นได้ชัดเจน เพราะกิเลสนั้นส่งอุปมาเป็นไฟอย่างที่ทราบ ก, กันเช่นว่าอาการสถานที่บ้านเรือนของเราซึ่งอยู่โดยปกติก็สวยงามดีก็ใช้ประโยชน์ได้ดีแต่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเรามองเห็นภัยอันตรายในขณะนั้นก็รีบดับและแม้แต่ไฟที่ลุกลามมาเราก็เปลี่ยนประยา ป, ป้องกันเพราะทายังไงความคิดจึงมองเห็นโทษของกิเลสเช่นเดียวกับไฟทั้งช่วงที่ยังไม่ไหม้และช่วงที่กาลังไหม้ ถ้ามองเหตุไปจากแจ้งแก่ใจได้เช่นนั้นช่วงที่ยังไม่ไหม้ก็ป้องกันไม่ให้ไหม้ช่วงที่กำลังกำลังไหม้อยู่แล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะดับแต่ว่ากิเลสนั้นเป็นนามาทับ ก, การมองที่กิเลสภายในใจก็มองกันไม่ค่อยได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า โดยพ of career, the ื้นฐานความคิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นรักตนถนอมตนจนถึงกระหลนลงตนอาการที่ปรากฏก็คือความเห็นแก่ตัวบางทีก็เห็นแก่ตัวจัดจากการที่เห็นแก่ตัวจัดนี่เองบางครั้งแม้แต่ความคิดไม่เหมาะไมุ่วนแต่พราลงตัวเองหรือเพราะเห็นแก่ตัวก็พยายามจะแก้ต่างให้พยายามที่จะอธิบาย จนถึก็กรบเกลื่อนความไม่ดีไม่งามเหล่านั้นไปได้พราะอาการของความคิดเหล่านี้ก็ออกมาในรูปที่พระเจ้าทรงแสดงว่าโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากตามปกติแล้วบุคคลจะกรบเกลื่อนโทษของตนเองเช่นเดียวกับนายพรานที่ไปซุ่มดักสัตว์ปกปิดตัวเอง แต่เป็นการปกปิดนั้นปกปิดเพื่อจะทำลายคนอื่นในครัวศา์ที่ตนจะทำลายเห็นตนก็ปกปิดเอาไว้เพราะภายในจิตใจจริงๆก็ไม่สงบจิตใจของบุคคลที่มีกิเลสก็เป็นเช่นนั้นเพราะในกรณีนี้เองที่พระเจ้าทรงสอนอย่างน้อยก็ระดับของโยนิโสมนสิการ หรือการทําไว้ในใจด้วยอุบายที่แยบคายมีเหตุมือผลตรวจสอบดูสภาพจิตของตนให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นโทษโดยความเป็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจเป็นความแปรเปลี่ยนแปลงไปภายในใจที่ถูกบิเลศแผลดผห้เกิดความเราร้อนว่าเป็นเรื่องที่ตนจะต้องรับผิดชอบต่อความเราร้อนในขณะนั้น และผลที่จะสืบเนื่องในโอกาสต่อไปก็ทำนองคล้ายๆกับมองบ้านทีู่กไฟไหม้ในเ ก, ก่าเพราะเป็นสิ่งที่รัวเราเองต้องรับผิดชอบถ้าไม่รีบดับก็จะต้องบูรณะซ่อมแซมจนถึงกรกดอสร้างกันไปต่อไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะพยายามดับอิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ ก็จะมีอาการเช่นเดียวกับความพยายามที่จะดับไฟซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแม้ในส่วนของอภิสังขาระมานซึ่งโดยตัวไปก็หมายถึงบาปแต่ในแง่ของสังสารถถุก ค, คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือการปรับเปลี่ยนภพชาติได้ประณีตขึ้นไปนั่นแม้แต่บุญกุศลมันก็เป็นมาน เพราะอะไรสมมุติว่าเราจะยินดีเฉพาะบุญอย่างระดับใด ร, ระดับนั่นเช็นพอใจยินดีในการให้ทานถึงพื้นฐานชาวพุทธไทยส่วนใหญ่นั้นจะติดอยู่ตรงนี้เรามองเห็นภาพต่างๆสิ่งกิจกรรมวัดต่างๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายนั้นพอถึงช่วงให้ทานนั้นคนจะประชุมกันมากพอช่วงรับสาลักษาศีนั้นคนจะลดลงไปมากบางทีลดลงไปกว่าครึ่งวันวิธีการที่พระท่านคิดขึ้นว่าทำยังไงถึงจะคุมให้โยมอยู่กับทานกระสีไดได้ก่อนบางก่อนจะให้ทานเลยรับให้รับจีตซะก่อนเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะ สกัดกั้นเอาไว้อย่าให้รีบกรัปั้นเพื่อรอการให้ทานป้องกันแต่ว่าถึงอย่างนั้นพอถึงช่วงที่จะฟังธรรมะสมมติว่าคนมาร้อยคนในเหลือสามสคนก็บุญแล้วนีแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมีความพอใจยินดีในจุดที่ตนสัมผัสอยู่ในขนาดนั้น ก็ก่ให้เกิดอาการทิดติความคิดที่จะปรับภพปรับชาติได้มีความประนีตมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนโอกาสที่จะห่างจากสุขซึ่งประนีตก็จะห่างเวสสัมผัสสุขระบาดระดับเดิมที่ตนคุดเคยกันจยโอกาสที่จะใกล้มงคลนิพพานมันก็ห่างออกไปเพราะนสิ่งตรงนี้เดินกลายเป็นลูกตุ้มถ่วงตั้งที่มันเด็นความดี สำนองเดียวกนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาแตราติดอยู่ในชั้นได้ชั้นหนึ่งซึ่งอันที่จริงถ้าจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่ถึงจะเสียหายแต่ว่าโอกาสก้าวหน้านั้นจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเข้าปฏิบัติในทางาศาสนาท่านเรียกว่ามักคือเดินไปเมันเป็นถนนเป็นหนทางเดินไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง การสร้างถนนนั้นก็สร้างมีจุดเริ่มต้นจากจุดหนึ่งก็ไปสู่จุดหนึ่งอาริมักก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสร้างจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งคือมรรคผลนิพพานแต่บนเส้นทางมัน ก, ก็พบอะไรแต่เมื่อไรมากถ้าว่าคนจะหยุดอยู่ในช่วงในช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ตนเดินไปก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าจะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ทาการปฏิบัติเมื่อมองผลที่สูงสุดบุญกุศลเองมันก็กลายเป็นอุปสรรคแต่ว่าเป็นทางที่ต้องผ่านดังเราจะพบว่าเวลาทรงแสดงธรรมะไปตามลำดับเป็นขั้นบนันไดจะทรงแสดงเรื่องทานแสดงเรื่องศีลซึ่งก็เป็นมรด้กันเป็นทางเดินด้วยกัน แล้วเสร็จแล้วก็แสดงถึงสวรรค์ซึ่งเป็นผลของฐานของศีลแล้วก็เป็นความสุขส ง, งบมากกว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปเทียบกับพรหมมันก็เป็นสุขที่หยาบ ก, กว่าเาพรหมไปเทียบกับอริยะขุนอริยะุณก็สูงกว่าพรหมก็หยาบ ก, กว่าเพราะเมื่อเทียบไปเรื่อยๆ เ, เราเจะพบว่าเราจะต้องเดินทางอีกมากทีเดียว จึงจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาได้พระนัพุทธเจา้าก็แสดงธรรมผ่านจุดนั้นไปคือให้มองเห็นโทษแม้ในเรื่องสวรรค์คือวัตถุกรมที่ปรี้ยงคำว่าสวรรค์ที่จริงก็แปลว่าอารมณ์มันเลิศมาความอานาสสถานที่นั้นรูปก็เลิศเสียงก็เลิศกลิ่นก็เลิศรสก็เลิศสัมผัสก็เลิศอารมณ์ก็เลิศ เทวดาแปลว่าผู้ไปไหนมาไหนด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงใจไม่มีความบิดตกขุดมัวเศร้ามองเดือดร้อนวุว่นวายอย่างชาวบ้านโดยทัวไปห ร, หรืออย่างมนุษย์แต่คงจะมีปัญหาแบบเทวดาเพราะเทวดาเองก็มีกิเดสที่พระเจ้ามักใช้ควบเวลาแสดงผลสูงสุดทรงใช้คาว่าบ่วงทิพบ่วงมนุษย์ กำว่าบ่วงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันก็เป็นบ่วงทั้งนั้นที่จะค้องที่จะปูกมัดที่จะรึงรัดที่จะฉุดกระชากคนไปให้เราสังเกตดูาบางครั้งเนี่ยใจไปเกิดกำหนดสิ่งที่สวยงามเหล่านั้นแล้วก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นแต่พอดีมันอยู่ต่างแดน เพราะการไปซื้อหาสิ่งของต่างๆในฮ่องกงบ้างจนถึงโยุโรปอเมริกาเป็นต้นบงแสดงถึงอาการของบ่วงมารเหล่านั้นที่เก็บผูกแล้วก็ดึงดึงบุคคลไปตั้งๆที่ไม่มีเชือกแต่ก็ดึงได้เร็วกว่าเพราะที่จริงดึงด้วยเชือกนั้นคนปลายสายก็ต้องดึงแต่ดึงด้วยจิตนั้นตัวบุคคลนั้นเองก็จะ นำตัวเองเข้าไปหาคล้ายๆก็เดินไปสู่ตะแลงแกงเพรา ะ, ะนั้นแม่บ่วงที่เป็นชิแล้วก็เป็นตัวถ่วงเป็นตัวผูกมัดรรึงบุคคลเอาไวใ้ให้สยบติดเรึิงในสิ่งเหล่านั้นแต่นั้นพระเจ้าก็จะแสดงโทษของสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าในคำอไอกามาทินกคือโทษของกิเลสกรรแล้วเสร็จแล้วก็แสดงทางออกให้ ก็คือการพยายามที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายให้กิเลสล ด, ดละดลงไปจากใจิตใจของตนแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการมองในแนวนี้จึงต้องมีปัญญาเห็นประจักษ์แนนอนระดับหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ระดับหนึ่งก็มีปัญหาพราะสำคัญว่าเป้าหมายจุดหมายปลายทางในการดำรงชีวิตหรือดงการของพุทธศ า, าน้นาจุดที่ไหน ถ้าอะไรก็ตามที่เกิดเป็นอุปสรรคขัดขวางเอาไว้ไม่ให้บรรลุผลสูงสุดตามอุดมการของุศาสนาสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นมารในระดับนั้นนั้นความระเบียดละไมในเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับการตรวจโรคของหมอเมือ่อกาจะกระจัดโรคส่วนใดส่วนหนึ่งหายลงไปแล้วแต่ต้องศึกษาอาการที่จะแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนขึ้นมาด้วย แล้วก็พยายามที่จ ะ, ะบำบัดสิ่งเ่าดันออกไปโดยเป็นการหายจากโรคอย่างแท้จริงธรรมะปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนก็จะมีแนวอย่างนั้นในกรณีที่เป็นบุคคลที่เรียกว่าเทวบุตรมานถึงโดยเนื้อหาจริงๆก็คือเป็นเทวบุตรจริงๆคือเป็นเทพจริงๆแต่เป็นเทพที่เป็นผ่านบางครั้งท่านก็ไม่พานทั่วๆไปแต่พานสำหรับคนบางคน แต่บางครั้งถ้าก็ผ่านแลวทั่วไปในขณะเดียวกันเรสังเกตว่าในหมู่มนุษย์เราด้วยกันนั่นเองก็คือกฎผ่านที่เป็นเทวุตมันก็กลายเป็นอุปสรรคขวากหนามขัดขวางทาลายบุคคนอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะคนประเภทนี้บางครั้งหนีได้ก็ต้องหนีเราไปได้ก็ต้องลบเพราะอะไรเพราะเขาสามารถที่จะ ทำเองได้ผิดกับพวกกิเลสเหล่านั้นกิเลสนั้นที่จริงเขาทาอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมเขาแต่คนผ่านเรายอมหรือไม่ยอมทีเขาก็ทําอันตรายได้ทั้งสองอย่างกิเลสนั้นเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นเองคือทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่จิตมันปรุงขึ้นมาเองเท่านั้นปรุงให้เกิดกิเลสก็ได้ปรุงให้เกิดธรรมะก็ได้ปรุงให้เกิดเฉยๆก็ได้แต่แล้วแต่เราจะปรุงมาเอง ผลบรรดามาณเหล่านี้ไปสังเกตว่ามานคือมัจจุมานกับมานคือเสพุทตมานคือความตายนั้นเป็นสภาวธรรมยังไงยังไงเราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้ในกรณีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นพระเจ้าจะทรงเน้นที่การใช้ชีวิตซึ่งเราได้มาแต่ละขณะให้ดําเนินไปด้วยความไม่ประมาท เพนพระธรรมเทศนาที่ปลุกเราในแนวนี้จะมีอยู่เป็นนันมากเช่นพระสั่งว่าความเพียรพยายามบุคคลควรที่เพ่งกระทําเช่นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ได้มารืนนี้ก็ได้เนื่องจากในแง่ของความจริงดิแทจริงแล้วไม่มีใครขัดเพียนต่อรองขอร้อง หรือต้านทานต่อสู้กับมัจจุราชผู้มีเศษใหญได้เพรั้ตัวนี้ตัวการใหญ่จริงๆจึงต้องใช้สติเป็นตัวระลึกที่จะใช้ปัจจุบันที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นๆให้เกิดสาระประโยชน์แกนสารเท่าที่จะทำได้บางครั้งที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไอ้เจตจำนง จำนวนบริทนชาน้ากับมโนรถคือตั้งไว้ว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอดีความตายเข้ามาตัดมันเกิดทาไม่ได้ก็จบกันในชาตินั้นแต่ว่าทำยังไงจึงจะรักษากจิตสํานึกเหล่านั้นเอาไว้ได้แม้จะไม่เต็มตามความปรารถนาเพราะว่าจังหวะมันยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึง แต่เมื่อเรารักษายสภาพจิตกัไม่ได้คุณภาพของจิตมันก็มีปรากฏอยู่ในจิตนั้นอย่างเช่นท่านเล่าถึงเทพธิดาต่างๆเป็นอันมากเทิดาบ้างเทพบ้งพาบง เ, เจต จ, จำนงนั้นต้องการจะทจําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการจะไปบูชาพระพุทธเจ้าบั่งบูชาเจตีบ้างแล้วก็เดินไปในหนทางปรากฏว่ามันยังไม่ถึง ถูกความตายเข้ามาตัดรอนด้วยอุบัติเหตุบ้างหรือโรคภัยเขเจ็บบังแต่ว่าจิตในขณะนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นจิตมีลักษณะมุ่งมั่นไปสู่พระพุทธคุณไปสู่พระพุทธปฏิมาไปสู่เจดีย์จิตเราก็ผ่องแผ้วมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏอยู่ในขณะนั้นแม้มจุมานเข้ามาตัด แต่ว่าตัดท่ำกลางจิตที่ผ่องแผ้วท่านตายไปในขนาดที่จิตยังผ่องแผ้วอยู่ก็ทำให้มีภบชาติที่ประณิจอย่าที่ทรงแสดงเป็นหลักการเอาไว้จึงแสดงขณะเพราะเมื่อจิตผ่องแผ้วแล้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติเมื่อจิตสมองแล้วก็หวังได้ว่าจะเกิดในทุกติ ตอนตัวมัจจุมารคือเอากวาจริงแล้วเราก็ไปต้านทานอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองนะตัวเขาเองตัวความตายเนี่ยเป็นเป็นทุกข์ัตริย์แต่ตัวตัดรอนเนี่ยเราถือว่าเป็นสมุทัยสัตว์ช่วงที่ตัดนะเป็นสมุทัยสัต์เพราะมันเป็นการล้างผ่านเมื่อแกเป็นอยู่ในกลุ่มของทุกข์ษัตริย์เราก็ไปขจัดเขาไม่ได้เมื่อขจัดไม่ได้ ปองการอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีว่าไอ้ช่วงที่เขายังไม่มาเนี่ยจะทำยังไงถึงจะสร้างสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารได้มาโดยชีวิตของเราตัวกําหนดที่สําคัญที่สุดจะเป็นนรกสวรรค์นิพพานอะไรก็ตามมันอยู่ที่ขณะจิตมันเป็นอยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตแต่อยู่ในขณะจิตที่ปรากฏในขณะนั้นๆ มรรคผลก็เกิดได้ในขณะนั้นนิ่พานก็เกิดได้ในขณะนั้นนั้นแต่มันเป็นปัจจุบันคือต้องพยายามสัมผัสได้ไดในปัจจุบันสรานการมองสิ่งต่างๆในแง่ของการใช้ปัญญาสดสองพีนิตปิจนาจะบางครั้งก็ส่งสอนในรูปที่เรียกว่าใช้ปัญญาเป็นประทีปสองทางอย่างสั่งแสดงไว้ว่าประโยชน์ จะเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้ใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆซึ่งก็หมายความว่าทุกเรื่องที่เราสัมผัสในแต่ละขณะนั้นหากว่ามีปัญญาประจับแจ้งมากพอก็สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ด้วยกันทั้งนั้นในกรณีของมาณทั้งห้าประการดังกล่าว ในกรณีของกิเลสสมานก็มีปัญญาประจักษ์เห็นโทษก็ป้องกันได้ก็ป้องกันบำบัดได้ก็บำบัดแน่นอนมันก็คงจะมีอะไรอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่รุนแรงแคล้ายๆกับไฟพอเริ่มไหมเรา ก, ก็รีบดับแล้ก็มีรอยไหม้อยู่เพียงแต่ว่าแก้ปัญหาในช่วงหลังไม่มากซจงปิดกระปรอยให้ลุกไหม้ไปในกรณีของขันธมันก็มองให้เห็นในแง่ของกติธรรมดา เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เกิดแก่ตายใจจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอย่างน้อยก็ในแง่ใดแง่หนึ่งมากเกินไปพืงสังเกตว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นการยึดมั่นในแง่ใดแง่หนึ่งซึ่งเป็นการปฏิเสธความจริงที่เราเศร้าโศกเพราะความพลัดพลากและเพราะความตายของคนรักนั้นคนที่เรารักนั้น เพื่อสักตว่าเรามองในแง่เดียวคือต้องการให้เขาเป็นอยู่ต้องการให้เขาเป็นอยู่นั้นเป็นความปรารถนาที่ประกอบด้วยโลภะในประกอบด้วยโมหะเพราะเราเองยังอยู่ไม่ได้เลยจะปรารถนาให้คนอยู่ก็อยู่ได้เองไเขานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาเรานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเราเพราะการไปเล็งผลเลิศว่าเขาต้องอยู่ว่าเขาตายเราก็เสียใจ แต่จริงเราเองก็ต้องตายดังนัการที่เขาตายไปก่อนก็คือการตายถ้าเราใช้ปัญญาในช่วงนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอไรถ้าเกิดอาการที่รู้เท่าทันถึงความจริงว่าคนที่ต้องตายเป็นธรรมาดาก็ได้ตายแล้วภารกิจอะไรที่เราจะต้องทำเกี่ยวกับญาติพี่น้องมันเป็นทีละต้องต้องตายไปก็ทำไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่ ม, มกุศลให้แก่ตัวเองแลเพิ่มความประมาทให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองได้อีกด้วยในกรณีของอภิสังขารมันคือบุญบาปและเลนรชาประเด็นแรกก็มองในแง่บาปให้ได้ก่อนมองเอาเป็นมารเฉพาะบาปเพราะเรายังไม่ได้ไปถึงนิพพานก็เอาเฉพาะตัวมารที่เป็นบาป บาปจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาที่จึงเกิดขึ้นมาจากใจก่อนก็พยายามหยุดจิตตัวเองเอาไว้แม้จะมีความคิดที่เป็นบาปแต่ว่าทำยังไงอย่าพูดอย่าทำออกไปแล้วบรรเทาคือแก้ปัญหาเฉพาะที่จิตใกล้ๆก็ไฟที่ลุกไหม้กึเนี่นยที่ว่าแล้วคือทำยังไงจะดับจะได้ตอนนั้นอย่ามันไหม้สลุกลามต่อไปมันก็มีปัญหายหญ ก็สวดดูจิตของตัวเองในแต่ละขณนะทวนกล้องกิเลสนั้นไปนสังเกตว่าโดยวิธีแบบชาวโลกนั้นก็จะแก้ที่คนอื่นเช่นใครทำให้ตนไม่พอใจก็จะไปทำลายคนที่ทำให้ตนไม่พอใจแต่วิธีการศาสนานั้นถือว่าเป็นการซากปรักหาการจะแก้ไขนั้นต้องแก้ที่ใจตัวเอง คือที่ความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในใจตัวเองถึงความโกรธถึงความริษยาอาฆาตที่เกิดขึ้นภายในใจเราเห็นว่าพวกนี้มันเป็นอาคันตุกะคือเป็นคนมาเยี่ยมมาเยืนแต่นั้นเองไม่ใช่เจ้าของใจเราแต่มาถึงก็ทำเจ้ากิเจ้าการสั่งให้โกรธสั่งให้ริษยาสั่งให้ขัดเคืองสั่งให้โต้ตอบสั่งให้ด่าตอบมาถึงก็มาบังคับเราเลย ไอ้คนที่ทําให้เราโกโรธก็เป็นศัตรูไอ้ที่จริงความคิดตัว น, นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นศัตรูเหมือนกันไม่จะเป็นเจ้าของใจเราแต่มาถึงก็ทําให้เจ้าครอบเจ้าของลองนึกดูว่าภายในบ้านเราเนี่ยอยู่ๆใครก็ไม่รู้มาสั่งให้เราทำนั้นทนํานี้ทำนู่นเดีวเราก็ไปทำตามเขาปัญหาว่าใครคือเจ้าของบ้านใครที่มีอำาจหน้าที่จริงๆจิตใจที่ถูก กิเลสสั่งบังคับก็จะมี ล, ลักษณะ like นั้นให้ลองสังเกตดูว่าแกไม่ใช่นายแกไม่ใช่เจ้าของใจแกไม่ใช่ใจแต่แกเป็นคนจรมาท่า น, นั่นเองมาถึงก็สั่งเอาสั่งเอาสั่งเอาแต่เราก็เต้นไปตามจังหวะที่เขาเคาะให้เต้นก็พลักสายก็เสือกสายเราไปก็มองให้เห็นเช่นนี้แล้วก็จะเกิดความคิดที่จะต้านทานที่จะต่อต้านจะบาบัดขัดขวาง ความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้ในความคิดที่เป็นบาปมันก็ลดลงไปแม้จะเป็นบาปก็หยุดอยู่เฉพาะที่จิตแล้วเริ่มลดที่จิตไม่ใช่ลุกลามไปจนถึงออกมาทางกายกับทางวิญาพอถึงเทปุตตมานเนื่องที่ว่ามาแล้วในกรณีของคนผ่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะมองเขาด้วยเมตตาในขณะเดียวกันนั้น บางก็เหมือนก็มองคนที่เป็นโรคติดต่อนะคือเราคงต้องช่วยเหลือเขาอะนะแต่ว่าทำยังไงอย่าให้เราติดเชื้อด้วยในช่วงนี้เมตตาแต่วตา่าเมตตาจยงมีปัญญาการช่วยเหลือก็ช่วยกันไปแต่ในขณะเดียวกันเขาป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชือ้อเรานันคือเราไม่เป็นพานตามเขาไปไมิจฉ า, าก็ด่าก็ด่าด้วย เขประทุษร้ายก็ประทุสร้ายด้วยกอริสยาเรากอริสยาโดยเป็นต้ปนปัญหาทั้งหมดซึ่งเมื่อเราเกาะกรวมแล้วท่านจะเห็นว่าในส่วนของความตายตัวความตายกับตัวขันมันก็เป็นทุกข์แต่ว่าจิตยุึ์ในขันกับตัวที่ตา ย, ยาจริงๆนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่ในกลุ่มกสุขสมุทยัยในเรื่องนี้จึงกลายเป็นทุกขกสุขสมุทยัย ซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นปัญหากเหตหเกิดของปัญหาซึ่งพระเจ้าทรงสอนในแง่ของการเปลี่ยนพยายามสงบระงับแล้วก็ดับไปส่วนจะดับไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามผลคือความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤตปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสุขต่อไป